โดยถึงความเป็นผู้กล้กลาพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้ที่กล้าที่สุดเนี่ยนะเป็นคนที่องอาจนะนะเป็นคนที่ไม่หวาดไม่หวัน่นแล้วก็ไม่ผวาไม่คลั่นคร้ามไม่มีเหตุเหล่าใดที่พระองค์จะต้องไปทําบาปและอกุศลคนที่ต้องทําบาปทําอาคุศลเนี่ยนะก็เพราะเป็นคนที่ยังขี้ขาดหรือขี้กลัวเพราะกลัวนั่นแหะจึงมูสาเนี่ยนะเพราะกลัวนั่นแหละจึงพูดเท็จพูดไปเรื่อยเนี่ยนะพูดเชยชัยไหลไปเรื่อย ถ้าหากว่าเป็นคนที่หนักแน่นมั่นใจแล้วจะไปดิ้นรนมันทําไม่เนี่ยนะคืออย่างบางคนเนี่ยนะสังเกตดูนะคนขี้ขลาดเนี่ยนะบางทีพยายามแก้ตัวแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่ ง, ง, ง, ง, งพันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เอามาอ้างเวลาแก้ตัวนั้นจริงมั่งไม่จริงมั่งเท็จมั่งปลอมมั่งเนี่ยนะคิดว่าตัวเองจะพ้นภัยคิดว่าตัวเองจะ ปลอดภัยก็เลยสรรหาเรื่องราวมาต่างๆก็เพราะตัวเองไม่โต ต, ต, ตัวเองไม่มีความหนักแน่นแล้วก็ไม่มีความมั่นคงถ้ามีความหนักแน่นและมั่นคงแล้วทำไมต้องหลอกทาไมจะต้องอธิบายทาไมให้มันมากความนะนะคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงระดับหนึ่งเพราะมีฮริโอตปะอันหนึ่งเลยก็คือเขาไม่ใช่จำเลยนี่นะเขาไม่ใช่จำเลยของสังคมที่จะต้องแบบแหมจะต้องชาระตัวเองเพื่อการยอมรับนี่นะ สร้างสร้างสถานการณ์เพื่อให้คนอื่นเขานับถือมันไม่มีความจําเป็นเพราะเขามีความหนักแน่นมันคงเพียงเพียงพอแล้วเนี่ยนะเพียงพอแล้วจึงไม่ต้องการคําการยอมรับอะไรเฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงไม่ต้องคอยแก้ตัวเนี่ยนะไม่เที่ยวคอยแก้ตัวคอยอ้างอธิบายแก้ตัวอยู่นั่นแหละเนี่ยนะซึ่งฟังแล้วมันน่ารําคาญมากกว่าเป็นเหตุผลเัราผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นผู้กล้าเขาจึงหนักแน่นและก็มั่นคง และสำคัญก็คืออย่างนี้ก็ต้องมีความรู้มากนะจะต้องมีความรู้ที่เรียกว่าดูแลตัวเองได้รักษาตัวได้นั่นแหละนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่กล้าแล้วก็ในบรรดาผู้ที่เรียนรู้โลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีผู้ใดจะเรียนรู้เท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเพราะอะไร นะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์คือพระองค์เนี่ยสิ่งใดที่ควรรู้ควรเห็นควรพิจารณาเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดแม้แต่นิดเดียวที่พระองค์ไม่พินิจพิจารณาใครควรนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่คงแก่เรียนเป็นพหูสุดที่สุด น, นะนะซึ่งจะกล่าวอีกต่อไป มาดูโอตา ป, ปะโอตา ป, ปะนี่ปรารบภายนอกเนี่ยนะปรารบภายนอกแล้วจึงมีโอตา ป, ปะถามว่าเป็นอย่างไรปราบว่าบุคคลที่มีโอตา ป, ปะเนี่ยจร ะ, ะลึกนึกอยู่ว่าการกระทำของของคนที่ทําแบบนี้เนี่ยนะถ้าคนนั้นรู้เขาจะชมไหมเนี่ยนะเอางี้ได้ว่าถ้าเราทําแบบนี้สมมุติเออสิ่งเนี้อยู่เฉพาะหน้าที่เราจะทํา ถ้าพระพิสุทั้งหลายพระสารีบดีพระโมคคัลลานะพระมหากระสปะพระอนุรุทธะพระอนนท์เป็นต้นท่านอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะท่านจะว่าอย่างไรหรือถ้าท่านเหล่านั้นรู้ท่านอนุโมทนาหรือท่านติเตียนท่านตำหนิหรือท่านอนุโมทนาหรือสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่จะทําต่อไปนี้เนี่ยนะ พระเขมาเถรีพระอุบลวรนนาเถรีพระอรหรรันเถรีทั้งหลายพระนางประชาบดีโคตมีเถรีพระอรหรันทั้งหลายที่มีวิชาสามอภิญญาหกวิโมกขแปดเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านจะพูดกับเราว่าอย่างไรเนี่ยนะสมนเนะพิอุบาสกทั้งหลายจิตตะครหบดีอุบาสกเช่นอนาถบินทิกะเศรษฐีอุบาสกเช่นหมอชีวกโกมารพัตเป็นต้นพฤติกรรมที่เรากําลังทําอยู่นี้ อุบาสกเหล่านั้นท่านว่าอย่างไรสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้อุบาสิกาวิสาขาอุบาสิกาคุชุตระาเป็นต้นเนี่ยนะอุบาสิกาที่เป็นท่าเรียเจ้าทั้งหลายเขาจะเขาจะพูดอะไรเขาจะชมหรือเขาจะตําหนิเนี่ยนะเพราะนพวกนี้เขาจึงเกรงใจเกรงใจพุทธบริษัทเกรงใจภิกษุณีเกรงใจภิกษุเกรงใจภิกษุณีเกรงใจอุบ า, กาสกเกรงใจอุบาสิกาเดี๋ยวได้รับคําคารหาติเตียน เขาบอกว่าคำของบัณฑิตที่ติเตียนนี้น่าเอาเป็นประมาณไอ้คำของคนพัน ถ้าชอบก็ชมนะถ้าชังก็แช่งคําเหล่านั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่เอาคําของบริษัทที่ประกอบไปด้วยปัญญาผู้ที่มีปัญญามีวิชามีอภิญญามีวิโมกมีมรรคมีผลเป็นสาระอยู่ในใจบุคคลเหล่านั้นเขาวิจารณ์ว่าอย่างไรใครว่าเอาคนที่รู้จริงเข้ามาในเขาวิจารณ์ว่าอย่างไรสิ่งที่เราทําอยู่นี้เนี่ยนะพฤติกรรมที่เรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยพระ อริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะพูดกับเราว่าอย่างไรถ้าเราต้องไปพบหน้าท่านแล้วท่านรู้พฤติกรรมของเราทั้งหมดรู้หมดล่สิ่งที่เราพูดเป็นอย่างไรรู้แนวความคิดรู้นิสัยเจริตของเราทั้งหมดท่านจะอนุโมทนาหรือท่านจะติเตียนท่านจะชื่นชมหรือว่าท่านจะต้องท่านจะแก้ไขเราหรือว่าจะอย่างไรหรือถ้าเราท่องไปพบพระพุทธเจ้าสมมุติถ้าว่าแบบพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นประทับอยู่ตรงนั้นเนี่ย คิดว่าสบายใจไหมหรือว่านั่งชำระตัวเองก่อนไหมแปล ว, ว่าพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยนะถ้าเกิดเท้าสกปรมาพร้อมที่จะคุยกับท่านเหล่านั้นไหมเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ขนาดไหนนั้นบุคคลเหล่านี้จึงรักษาความบริสุทธิ์ไว้ในภายในเพราะกลัวความติเตียนทั้งหลายเนี่ยนะกลัวความติเตียนทั้งหลายจากผู้ที่เป็นบัณฑิตจากผู้ที่เป็นวินยูชนแล้วก็จากผู้ที่มีปัญญา อันบุคคลเหล่าน so er right? ี้จึงจึงเนียบโสดว่าบัณฑิตทั้งหลายเขากําลังวิจารณ์ว่าอย่างไรเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายเขามีทัศนคติต่อสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรสิ่งนี้พระธรรมว่าอย่างไรสิ่งนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านวิจารณ์กันว่าอย่างไรท่านให้ละหรือท่านให้เจริญมั้นคนที่มีโอตตะปะพวกนี้จึงเกรงใจพระรัตนตรัยเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เกรงใจพระอาริยเจ้าทั้งหลายมันก็กลัวจะได้รับการติเตียนจากพระอาริยเจ้าเนี่ยนะกระวัติอยากแทรกแผ่นดินหนีคิดแบบนางมาลิกาคิดใช่ไหมโอ้เรื่องนี้พระสารีบุตรรู้แล้วเนี่ยแย่เลยเราเนี่ยนะพระมคคัาลานะเขรู้พระมหากระสปะก็รู้พระพุทธเจ้าก็รู้นั่นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยนะโอตปะมันแต่ไม่ใช่หมายความว่าทําแล้วค่อยมาคิดอย่างนี้นะถ้าทําชั่วเสร็จแล้วมาคิดอย่างนี้เขาเรียกวิปฏิสารเป็นบาปชนิดหนึ่ง แต่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนจะทําสิเอเ้เรื่องนี้ถ้าพระองค์อยู่ต่อหน้าพระองค์จะตรัสว่าอย่างไรเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรสิ่งนี้ภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากระสปะเท้าสักกะจนถึงเนี่ยนะพรหมโลกทั้งหลายหมู่พรหมเขาเขาพูดอย่างไงเนี่ย ในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี่เนี่ยนะนั้นโอตปะนั้นปรารบลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ทำความชั่วเสร็จแล้วแหมมาเด่นเรา่เราเเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังไงอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ถือเอาเอาอย่างไรถเราวิปปิสารบาปทุกครั้งที่คิดแบบนั้นเพราะอะไรเพรา ะ, ะสาระสำคัญต้องเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วตั้งใจที่จะสํารวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดต่อต่อไปวินโยชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเขาทา เช่นนั้นเนี่ยนะคือเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปบันออโอตปะนั้นจึงปรารบลักษณะนี้ว่า เ, เกรงกลัวจากภายนอกนังคาถาท่านบอกว่าวินยูชนทั้งหลายจากติเตียนท่านเหมือนชาวเมืองรังเกียจของสกรปรกท่านนะถ้าผู้มีศีลกำจัดเสียแล้วจกเป็นพิสุอยู่ได้อย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านถูกผู้คนดีๆทั้งหลายเาเา เขาเขาคัดออกจากกลุ่มแล้วเนี่ยจะไปอยู่ยังไงเนี่ยนะเรียกว่าเกรงใจผู้ที่มีศีลเนี่ยนะถ้ายิ่งโดยเฉพาะอยู่ในสมาคมของผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเกรงใจท่านเหล่านั้นเพราะถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่รับเราเนี่ยนะจะเอาหน้าไปไว้ไหนจะทําใจว่าอย่างไรชีวิตของเราเนี่ยจะอาพับอับเฉาขนาดไหนเราจะน่าสงสารขนาดไหนดูสิผู้มีปัญญาอย่างนั้นเขาก็ไม่เอาเรา คนดีอย่างนั้นเขาก็ไม่สนใจเราก็แปลว่าเรานี่ยเลวมากเนี่ยนะท่านก็แต่คิดอย่างไ้ก็ต้องคิดก่อนที่จะทําชั่วนะแต่ถ้าไม่ใช่ทําชั่วเสร็จแล้วก็ถ้าอย่างไงนี่ก็ยิ่งเดือดร้อนถ้ายิ่งเดือดร้อนก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแหละบางงั้นเถอะยิ่งไปกันใหญ่เลยแหละบางคนพอทําชั่วเสร็จไหมประชดยิ่งประชดยิ่งประชันเข้าไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยนะคําถามแบบนี้ต้องซักฟอกก่อนที่จะทําบาป ไม่ใช่ทำบาปเสร็จแล้วทำเป็นมาชํารักคดีเสียเองแล้วบอกแม้ฉันมีสามัญญสํานึกพอนะเสร็จแล้วก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ําใจซึ่งอันนั้นไม่ใช่คําสอนคาสอนนั้นก่อนจะทำชั่วใคร่ครวนเสียก่อนพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบใคร่ครวนให้ดีเสียก่อนแล้วค่อ ย, ค, อยค่อยทํานะนะสิ่งใดที่เราเคยทําสิ่งใดที่จะทาสิ่งใดที่กาลังทามันใคร่ครวญมนุิการให้ดีว่าสมควรหรือไม่ สิ่งใดที่เราเคยพูดสิ่งใดที่เราจะพูดต่อไปหรือถ้อยคำเหล่าใดที่เรากำลังพูดอยู่เหมาะสมสมควรหรือไม่สิ่งใดที่เราเคยคิดมาแล้วสิ่งใดที่จะคิดต่อไปสิ่งใดที่กำลังเป็นความคิดเหล่านี้ที่กาลังคิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเราได้วิชาได้ประสบะการณ์ได้ความรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่เคยทำเคยพูดเคยคิดที่ผ่านมาในอดีต สิ่งเหล่านั้นให้วิชาความรู้เราได้อย่างไรเมื่อเรามีประสบะการณ์เนี่ยนะในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดความนึกคิดที่ผ่านมาก็ถือว่าเรามีปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วแล้วต่อไปเราจะทำอย่างไรอ่นนะพฤติกรรมในอดีตปัจจุบันเราก็เห็นแล้วละแล้วพฤติกรรมในปัจจุบัน อนาคตต่อต่อไปควรจะเป็นอย่างไรมันจะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่เอาประสบการณ์ที่มีอยู่และคำนวณว่าต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำในปัจจุบันผลลัพธ์ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรคําที่เราพูดทุกคําผลลัพธ์ต่อไปในอนาคตคืออะไร สิ่งที่เราคิดทุกความคิดผลลัพธ์ต่อไปในอนาคตคืออะไรถ้าหากว่าทําสิ่งที่ไม่ดีพูดคําพูดที่ไม่เหมาะสมนะความนึกคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะก็สมาทานอธิษฐานบอกแค่นั้นก็เพียงพอแลว้วนะแค่นั้นก็เกินพอแลว้วความชั่วเหล่านั้นก็พอแลว้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเสียหายเนี่ยทำอริยทรัพย์หายเนี่ยนะทำอริยทรัพย์วิบัติล่มจมสูญสลายขนาดนั้นบอกเกินพอแลว้ว แค่นั้นก็พอแล้วแต่ต่อต่อไปเนี่ยจะไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้แก้ไขตรงไหนได้ก็ขอแก้ไขพัะจึงสมาทานอธิษฐานที่จะละสิ่งที่ควรละความทุศีนทั้งหลายความชั่วทั้งหลายทางกายวาจาใจอธิษฐานสมาทานตั้งมั่นว่าจะขอละขอเลิกเนี่ยนะขอลดขอปล่อยขอวางเพราะอะไรเพราะไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยนะ ก็เหมือนกับรู้ว่าก้างขวางคออยู่เนี่ยก้างติดอยู่ที่คอทำย er ังไงก็ต้องหาทางเอาออกเนี่ยนะหาทางออกแล้วก็ต้องระมัดระวังต่อไปบาปประรมทั้งหลายที่ครอบงำอยู่ในใจก็พยายามที่จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะพยายามชำระสะสางแล้วก็พยายา ม, ảng, ยายามคิดว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าอย่างต่อไปสิปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร2ี่สปีข้างหน้าต่อไปเราจะเป็นอย่างไรชาติหน้าต่อไปเราจะเป็นอย่างไร อีกกับหนึ่งข้างหน้าตลอดกับข้างหน้าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรอีกสองกับร้อกับแ 0,000 นกับเป็นต้นข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการให้ผลลัพธ์ในอนาคตเป็นอย่างไรก็มาแต่งเอาในปัจจุบันนี่สิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหิริโอตาปะมีความเกรงกลัวต่อผลลัพธ์ที่เป็นบาปยินดีต่อผลลัพธ์ที่เป็นบุญก็พยายามมาตกแต่งกายตกแต่งวาจาและก็ตกแต่งใจสํารวจตรวจสอบเนี่ยนะ ละสิ่งที่ควรละเจริญในสิ่งที่ควรเจริญยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ควรเจริญเขาเรียกว่าสมาทานสมาทานแปลว่าความยึดถือยึดถือที่จะประพฤติกุศลยึดถือที่จะตั้งมั่นด้วยกุศลถ้าไม่มีกุศลบรรลุไม่ได้หรอกถ้าไม่มีกุศลไม่มีบุญระดับหนึ่งออกจากทุกไม่ได้หรอกนั้นผู้ที่พ้นทุกขผู้ที่ดับทุกขผู้ที่สิ้นทุกขนั้นคือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่ประพฤติดีและผู้ที่ปฏิบัติชอบเนี่ยนะ ผู้ที่มีกุศลจิตหนานแน่นมากอย่าลืมว่าผู้ที่จะตรัสรู้มักผลผู้ที่จะบรรลุมักผลนั้นต้องเป็นคนที่มีกุศลมูลหนาแน่นบุญในอดีตต้องทํามาดีต้องทํามาดีจริงๆแหละ อ, อย่างที่หนึ่งสองกุศลใหม่ๆต้องมีกําลังจริงๆเนี่ยนะจะต้องเป็นกุศลที่มีพละศรัทธานี่เป็นพละมากวิริยะก็เป็นพละสติสมาธิและปัญญาแต่และอย่างเป็นภละหมดไม่ใช่แม้ศรัทธาเป็นโรคขาดอาหาร วิริยะเป็นโรคขาดกําลังสติเนี่ยนะเป็นโรคกระปลกกระปลี้สมาธินะเป็นโรคระบาดปัญญาหลับอยู่ยังไงถ้าอย่างนี้ก็แม้จบเลยนะนะมันจะไปบรรลุมรรคผลได้อย่างไรพันจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธามีกําลังมากวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละอย่างก็มีกําลังแต่ละอย่างก็ใหญ่เป็นอินทรีย์แต่ละอย่างก็กําลังแรงมากเลยเนี่ยเรียกว่าพละทุกอย่างเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใหญ่มากเลยพละ มีกำลังเฉพาะตัวมาเป็นใหญ่ด้วยมีกำลังด้วยและคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยจึงจะนำออกจากทุกได้เป็นโพชงเป็นองค์ที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการตรัสรู้และเป็นมัดที่นำออกจากทุกเนี่ยนะ